อินเดียคือแดนดินทินพระเจ้าอินเดียมีหลายอินเดียมีแม่ชื่อคงคาอินเดียแดนภูผาอินเดียเมืองที่สุดของอินเดียเป็นเมืองพุทธ อินเดียแรงนําใจมากขอทาน วันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตาม ตรัสแก่พระอานนท์เป็นใจ 4 ตำบลเหล่านี้คือลุมพินี พาลานสีป่าอิสิปัตตนะมฤคทายวันปัจจุบันเรียกว่าสารนาถอันเป็นสถานที่เราตถาคตแสดงธรรมจักรปวตนะและกุสินาราสถานที่เราตถาคตเสด็จหวังจะมา เมื่อไปสู่สถานที่ 4 ตำบลนี้แล้วยังสังเวคธรรมให้เกิดขึ้น การเดินทางการเดินทางไปประเทศอินเดียนี้สู่ ไปมองดูแล้วก็เกิดความ จริงอยู่การบูชาพระพุทธองค์ผู้ทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือการบูชาพระ นิมนต์พระสงฆ์มาบ้านแล้วก็ถวายสังฆทาน การบูชานั้นชื่อว่ามีผลเสมอกันบูชานั้นชื่อว่ามีผลเสมอกัน เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธะปรินิพพานแล้วยังเห็นพระอานนท์เถระยังปฏิบัติวัดถากอยู่ตอนที่ท่านพระอานนท์เถระ ถ้าพระอานนท์ไปนิพพานเมือง เพื่อความสันเห็นความสันติภาพความเมื่อ เข้าอภิญญาสมาบัตินิพพานธาตุเกิดไฟธาตุ แต่บัดนี้ท่านพระอานนท์เถระท่านนิพพานแล้วท่านกล่าวว่าประชาชนคนทั้งหลายในเมืองกบิลพัสดุและเทวทหะร้องไห้เสียใจร้องไห้กรี้งเกลียดนานถึง 6 เดือนนี้ก็เกิดศรัทธาปสาทะมั่นใจและชาวกบิลพัสดุและกรุงเทวทหะนั้น เมื่อพระอานนท์เถระนิพพานท่านเหล่า เรียกว่าไปจะเป็นสายการบินไหนก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอากาศเรียกว่าไปเครื่องบินจะเป็นสาย ไปเมืองปัตตนะมีโอกาสเราก็ไปที่ไปชมที่วัดของ อหิแปลคนทั้งหลายตายหมดงูวาตะแปลว่า พวกเราท่านทั้งหลายจึงยึดถือก็ 90 กิโลเมตรถ้าเป็นรถยนต์ก็วิ่งประมาณเป็นรถยนต์ 4 ชั่วโมงนะ 30 กม. แต่จริงๆวิ่งจริงๆแล้วไม่ได้ๆๆ20 กิโลเมตรกว่าๆต่อก็ถือว่าใช้ เรียกว่าเป็นเมืองของพระเจ้าพิมพ์พิศาลมีภูเขา 5 ลูกล้อมรอบ 5 ลูก โลกที่ 3 ชื่อว่าบรรดวะโลกที่ 4 ชื่อว่า เป็นที่พักอาศัยของท่านพระมหากัสสปเถระที่ เพราะความเคารพยำเกรงเลยไม่ลงอาบน้ํา พระพุทธเจ้าจึงประชุมสงฆ์ 15 วันจึงให้อนุญาตให้ ถึง 6 ครั้งไม่เกิดปัญญาแสงสว่างเลยอำนาจของกิเลสมารท่วมท้นทับปีนี่เกิดขึ้น แล้วก็อาบน้ําขึ้นมาไหว้ทิศทั้ง 4 พระพุทธเจ้าไปถามบอกว่าอุปมานพเธอทําอะไรอยู่หรือสิงคาลกะมานพกราบทูลพระพุทธองค์บอกว่าหม่อม คำว่านี่ก็เอ๊ะทิศในทางพระพุทธศาสนาก็มี นำเรื่องของทิศทั้ง 8 เนี่ยมามาให้สิงขารกะมานพได้ฟังแจ้งนะสิงขารกะมานพว่าทิศ 6 คืออะไรบ้างปุรัตถิมทิศคือนี่ 2 ทิศทักขิณาทิศคือทิศเบื้องขวาได้แก่ครูบาอาจารย์ 3 ปัจฉิมทิศคือทิศเบื้องหลังได้แก่บุตรปัญญา 4 อุตตรทิศคือทิศ 6 อุปริมาทิศ พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบสิงคาลกะมานพได้บรรลุ อาบน้ําตามชั้นวรรณะกษัตริย์พวกพราหมณ์อาบชั้นบนพวกแพทย์พวกสูตอาบชั้นล่างนะและพวก นี่แหละก็ว่าลิขิตของพระเจ้านะอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ขัดแย้งโต้เถียงวาถะ ที่แท้คือตัวกรรมจำแนกแจกเรามานี่ที่ตปโอทานเนี่ยก็เป็นที่อาบน้ําตามอยู่ไม่ห่างไกลก็ประมาณ 2-3 เส้นเมื่อได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ป่าศรีตะวัน เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นิมนต์ให้มาจำบรรษา พอถึงเวลากลางคืนพวกเปรตเหล่านั้นมาแสดงแปลงกายให้ปรากฏบางคนก็ร้องว่าหิวบางคนพอ เหตุแปลกปราหลาดน่าอัศจรรย์ยิ่ง แต่พระองค์ไม่อนุไม่บอกส่วนบุญให้เขา ญาติของตายกุศลที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาส่วน พอถึงกลางคืนก็มาแสดงแปลงกายให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นพอถึงตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็ว่าสิ่งที่มหาบอ แต่เป็นเทวดาไม่มีผ้าผ่อนเมื่อ เมื่อถวายเสร็จเรียบร้อยพระว่าอิธังเมยาตินังแล้วนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลาย พวกเราญาติที่ไปเกิดเป็นเทวดาได้อนุโมทนาสาธุการผ้าอันเป็นทิพย์ได้ปรากฏเกิดขึ้นแก่เหล่าเทวดาเหล่านั้นเรามาถือธรรมเนียมตามประเพณีนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเวลาถึงวันตรุษวันสงกรานต์วันปีใหม่พวกเราลูกหลานคิดถึงคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าคุณพ่อคุณ เลยพอถึงวันตรุษวันสงกรานต์วันปีใหม่ออก พระสงฆ์ก็จะได้อนุโมทนาสาธุการเดือน เมื่อประกาศพระพุทธศาสนาไปรูปมาประชุมที่วัดนี้โดย ข้อที่สองที่ 2 ข้อที่ 3 ภิกษุ กุศลสู้ปสัมปทาการทํากุศลให้ ทางเข้าเมืองราชคฤห์เบญจขิรีนครจะมีสถูปอันหนึ่งก็เรียกว่าทูปหัตตกะสถูปหรืออัจฉาตสตุสถูปคือเป็นสถูปที่พระเจ้าอัจฉาตสัตรู ฉะนั้นเมืองราชคฤห์ที่เป็นของเมืองเก่า 11 กิโลตรง เขาเรียกว่าพรหมจารสุตพรหมจารสุตนี้เป็นสูตรที่ว่าพูดถึงว่าการสรรเสริญและการนินทาคือพวกเดลถีฉีเปลือย ฉะนั้นพวกเหล่านั้นจึงมีทั้งลูกศิษย์และอาจารย์เมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางไปที่ไหนพวกปริพาชกเหล่านี้ก็จะติดตามพระพุทธเจ้าไปดูเหมือนกันมันมีพรมทัตตะมานพลูกศิษย์กับสุปิยะปริพาชกผู้เป็นอาจารย์พากันติดตามเหล่าภิกษุสงฆ์พอพุทธเจ้าและ 500 เดิน งามระเบียบเป็นแถวเพราะ ส่วนลูกศิษย์คือพรมันตัตตะมนุษย์แก่สนับสนุนคุณเอกังสมยังภควา อันตรราชราชกหังอันตรราชนารันธังคือพรหมจรรย์สูตร 62 พระองค์ คนเหล่าเอือ้นติเตียนพระ 11 กิโล ตรงนี้แหละที่กําเนิดเกิดขึ้นของพระสูตรสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าพรหมจารสูตร ลาภสักการะที่เสื่อมสูลจากจึงมีทั้งลูกศิษย์และอาจารย์เมื่อพระพุทธเจ้าเดิน พระพุทธเจ้าได้เล่าพระสงฆ์องค์อรหันต์ 500 เดินไปที่ไหน อาจารย์ก็ติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ส่วนลูก ราชกะหังอันตรอาจราลันธังนี่อันตรอาจราชกะหังอันตรอาจนารันธังคือพรหมจารสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พรหมทัสสะภิกษุทั้ง 62 พระองค์บอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้เสียใจเมื่อเขาคนเหล่าอื่น แต่เราให้ตรวจดูกรรมอันบริสุทธิ์และเศร้าหมอง ว่าขนมขาชาถ้าใคร และก็มากินกับกะรำใจกะรำกาแฟร้อนบ้านเหล่านี่เองคนแขกกะรำใจกะรำแปลว่าร้อนใจแปลว่าชาชาประมาณ 6 กิโลเมตรจะมีมหาวิทยาลัย สถานที่ตรงนี้มีบ้าน 2 หมู่บ้านตำบลใหญ่ๆคือหมู่บ้านโมกุลกับหมู่ ตรงหน้านั่นแหละเป็นหมู่บ้านตำบลโมกุลหรือเป็นบ้านที่อยู่ ได้ถวายวัดคือสวนมะม่วงให้แก่พระพุทธเจ้าพักแรมอาศัยแหมมีครั้งหนึ่งมี อ่ามหาวิระเนี่ยนักบวชนิคนนาถบุตรท่านนี้เมื่อพระพุทธเจ้ามา พวกมหาวีระนี่ก็กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ หมายความว่าจะเปลี่ยนจากทิศทางที่ไม่ดีให้กลายเป็นดีได้แม่ธีฆปัสสีสิทธิ์เองก็บอก เหมือนจับแพะที่คอแล้วบิดไปบิดมา ไปนั่งสนทนากับพระพุทธเจ้าเมื่อสนทนาไปสนทนา แต่นักบวชนิคนเนี่ยเขาเรียกว่าทัณฑะในในกรรม 3 อย่างนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ถามว่าคนที่ไปเกิดบนสวรรค์ไปเป็น แต่ตอนนี้ท่านก็มาบอกว่าใจเป็นใหญ่ตอนนี้ท่านก็มาบอกว่าใจเป็นใหญ่เสร็จแล้ว แล้วก็ยอมพระพุทธเจ้าเรียงลําดับและข้อสุดท้ายบอกว่าอุบาลีถามว่าในเมืองนาลันทา ท่านอย่าลืมคําตอบของท่านนะคําเดิมท่านบอกว่ากายกรรมมีโทษมากกว่า อ่ามหาวีระนิกคนนาถบุตรพวกนี้เข้าไปในบ้านลูกน้องที่ขัพบัติศรีก็รอฟังข่าวอุบาลีอุบาสกผู้เป็นศิษย์ของ ไม่นับเนื่องท่านแล้วนะฐีฆปัสสีก็บอกว่าท่านไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้มาอย่า เมื่อนิโคธรบุตรมาเข้าบ้านเนี่ยปกติแล้วอุบาลีนี่แกจะปูผ้า แล้วในที่สุดรูปศิษย์ก็ 22 กิโลแล้วท่านก็ไปตายที่เมือง บ้านพระสาลิบุตรตอนที่ท่านจะนิพพานน่ะท่านมาโปรดโยมรู้ว่าลูกนี่ได้มาโปรดตนเอง แล้วก็ท่านพระอานนท์เถรอ่านท่านพระราหุลเถระก็ได้นําพระอัตถิธาตุนําพระอัตถิธาตุของพระสารีบุตรเนี่ย ของอันนี้ก็เป็นเรื่องความพิศดาลมหากัสสปะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องความพิสดารญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันประเทศอินเดียให้ญาติโยมได้ฟังกัน โอ้โยมถ้าเราไปไหว้สถานที่ตรงนี้เมืองนารันทาถือว่าเป็น 10 วัน ไปที่ประสูติที่ตัตตฤูที่แสดงปฐมเทศนาและ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเดินทางได้ที่ 02 434 1927 02 434 1927 อีก 883 5250 แล้วก็ 0 883525002 นะนะ